อย่างนี้เลยถึงแม้ความที่ไม่ยอมไม่ยอมไปเป็นกองหลังอะจะต้องเป็นกองหลวงคือเป็นแม่พับนี่ฮูยว่าแล้วก็ลาวีอเอียนไปหาเอียวหนีนักข่ายใหญ่แล้วก็เล่าเนื้อความทั้งปวงให้ฟังทุกประการละว่าวีเอียนพี่จเจ้าอย่างนี้เอีย่ยงนีเด็กฟันนั่นก็วรอแล้วก็พูดว่าอันวีเอียนนั้น อุปราชผู้ร่วมรับได้ทํำนายไว้แล้วว่าถ้าหาบุญท่านใหม่เมื่อใดอ่ะอยเอียนจะต้องคิดกําเริบขึ้นเหมือนนั้นบบกนี้ก็สมเหมือนคำหมาอุปราชแม่อุยเอียนจะทําเป็นประการใดอย่างไรก็ตามแต่ความคิดของมันเอี่ยงหนีว่าอย่างนี้คือจะขบถจะทรยศจะยังไงก็ตามายมันแค่มันอยอีงหนีก็ให้เตียงอุย คุ้มหลเป็นกองหลังอ้าเมือม่อเมื่ออุเยียนไม่คุมให้เกียร์อูยไปคุ้มเพราะอีวี้ได้รับอาญาสิเป็นแม่ทัพใหญ่เพื่อหวังให้เกียร์อุยไปคอยป้องกันข้าศึกด้านหวังนิให้ไพรพลพในกองทัพต้องได้รับความบอบช้าจากการกระหน่าซ้าเติมของซูมาอีกแล้วให้เชิญศพของเบ่งขึ้นรถรูปหุ่นใสเกวียนให้เลิกทับเดินเป็นปกติไป จะทำตามที่ขงเบงสั่งไว้ทุกประการนี้ฝ่ายอุเอียนดิคอยที่จะเป็นแม่ทัพอ่ะคอยบิหุยบิหุยว่าจะไปเอาตราตำแหน่งที่แม่ทัพหลวงมาให้นิก็ไม่เห็นบิหุยกลับมาอุเอียนก็คิดแครงใจทีเดียว ก็จริงให้มาใตา้มีมาไตาที่หกหลงโคบินส่งให้มาอยู่กับอุเอียนก่อนแล้วมาไตก็ม า, า, มาทําสนิททิศเชื่ยวกับอุเอียนอุเอียนก็ใช้มาใตนายฐานใหญ่คนนี้คุมทหาร14บสหมาเรียก ว, ว่าคุมทหานมาสิบบห้านายด้วยกันไปสืบดูว่ามีกองทัพผู้ิดยกไปบ้างคือกองทัพที่มามีแต่เศษชวานิง ใคร่คนเป็นสิบสิสิบมืนี่ก็แต่ละกองแต่ละหมวดก็มีผู้คุมกันมากมายดูทุกใคร่ยกทัพในประการใดอย่างไรมาตายก็ไปไปแล้วก็กลับมารายงานกับอุเอียนที่เรียกว่ากองทัพทั้งปวงยกไปบ้างแล้วเอียงนี้ให้เกียงอุเยคุมทหารเป็นกองหลังอุเอียนด้ยวยฝันก็โกรธทีเดย ก็ถึงว่าซึ่งอี่ยงหนีให้เกียงอุยเป็นกองหลังนั้นน่ะมันบังอาจดูหมิ่งเราแห้ว่าเป็นการดูหมิ่งก็แล้วเพราะตนเองเป็นแม่กองหลังตามที่ผมเบ่งแต่งตั้งนี่เมื่อตนเม็ดไปเจ้าตำแหน่งแม่ทัพจากอุเอี่ยงหนีเขาเอียงหนีไม่ให้นอกจากไม่ให้แล้วต่างเกียงอุยเป็นกองหลังมันดูหมิ่งน่ะ กูยังก็มาว่าแกมาตายว่าซึ่งเอวหนีทําทั้งเนี้ยท่านจะไม่ช่วยเราหรือมาตายมาตายผู้รับคําสั่งจากคนตายไว้มาตายก็พูดแบบเขาพเจ้าก็มีความแค้นเอียวหนีอยู่แต่ก่อนเป็นนั้นมากเขาพเจ้าจะขอเข้าด้วยทั้งจะได้ช่วยกันฆ่าเอียวหนีเสให้ได้ มาใต้ว่าอย่างนีู้เห็ยนได้ฟังนั้นมีใจยินดีด้วยว่าตัวนะ่ะไม่ได้รู้ผลของมาใต้เลยไม่ได้รู้เลยมาใตา้รับแผนการจัดคนตายคือมหาอุปราชทูลงรับหกหลงคงเบ่งเข้าไว้อะูเห็นไม่รู้ว่ากดีใจก็จัดทหารพร้อมกันละ่ะแล้วก็รีบรับทางไปสกัดทีเดียว หวังจะทำร้ายเอยียวหนีล่ะ ที่เดียวส่งแหัวป๋ามารอบดูกองทัพเสฉวนผู้เห็นการทั้งสิ้นดังนั้นแล้วคือเรอวศเสฉวนถอยแล้วคงเบ้งถอยแล้วแทหัวป๋าก็รีบกลับมาบอกสุมาอี้ที่ว่าบัดนี้ทหารหมารือเสฉวนโลกกองทัพกลับไปแล้วสุมาอี้ได้ฟังดังนั้นน่ะ เออก็ดาวดวงเดียวกันตัวอ่านผิดอ่านผิดหรือจะหวักเป็นด้วยว่กคงเบ่งเลยกระทําวิธีการเข้าไว้เพื่อให้ดาวประจําตัวของตัวน่ยยังคงอยู่ตัวเองจะตายและเอ้าดาวมันต้องตกวักกันอย่างนี้นะคงเบ่งก็ทําวิธีเข้าไว้จนกระทั่งดาวอยู่ที่สุมาอเห็นดาวตกตกแล้ว ข, ขึ้นขึ้นแล้วตกตกแล้วขึ้นทังสมครั้งสามครา กยแล้ววารุบรุบลูนะก็รู้ว่าคงเบ่งตายแต่แล้ว <c oughs> ด้วยความหวาดกระดิ่งทีเกรงว่าคงเบ่งทาอุบายที่ไม่กล้าทําอะไรเป็นแต่ส่งแหววป่ามาดูเมื่อแหววป่ากลับมารายงานบอกกองเสด็จนุลเล่า ก, กลับไปสู่มาอีดโกรธมากจนกับกระคืบเท้าเลยทีเดียวเลรา ว, ว่าอันคงเบ่ง น, นั้นเห็นจะต้องเป็ไงแล้วเป็นมั่นคงสุมาอีว่าอย่างนี้ สุมาอี้ว่าชะนีแล้วก็สั่งจัดแจงกองทัพเลยทีเดียวจัดแจงฐานะพวตงตนเองขึ้นมาและก็พาบุตรทั้งสองสุมาเจียวสุมาหูบุตรชยทัย้สองคนของสุมาอี้เนี่ยสำคัญมากรีบพาไปยังค่ายของเบงเลยไปถึงณที่ที่อันเป็นที่ตั้งค่ายของของเบงก็ไม่ได้เห็นผูน้ใดก็ทัพเขาเคลื่อนไปหมดแล้วสุมาอี้ก็คุมขันเร่งติดตาไป ไปถึงเนินเขาแห่งนี้แผลไปเห็นฐานองเด้งเดินไปข้างหน้าน่มเป็นอัมม่าซูมาอี้ยืมาแผลดูฉะนั้นคันณะนั้นได้ยินเสียงประทัดเสียงฐานโห่ร้องบนภูเขาทั้งสองข้างทางนนะ่ะแล้วฐานองเด้งทั้งสิ่ น, นั้นติดไปข้างหน้านะ่ะก็หันกลับดาหน้าขึ้นมาละเอาและซูมาเอี้เห็นเห็นสิ่งที่ผมเห็นและใครๆก็เห็นด้วย ที่เห็นขงเบ้งถือพัดโบกอยู่ในกุ้นเงี้งขาวยามรึออกอักษรว่าผงเบ้งแม่ทัพ ก, ก็เห็นสุมมยีตกใจยหยุดเลยทีเดียวแล้วก็คิดทีเดีว่านี่คงเบ้งนี่ได้ถึงแก่ความตายจริงแล้วอย่างที่เราคิดขงเบ้งทาอูบายหลอกเราให้ออกจากค่ายบัดนี้ ตัวกูต้องโกนอุมายของเบ้นเข้าแล้วซุมาอี่ปกใจมากที่จะสร้างถอยทับจะกลับเกียงอุยแม่กองระวังหลังขับมาตะวีรงมาจากเงินเขาแล้วก็ร้องว่าซุมาอีต้องโกนมาหาอุปราชเราแล้วจะหนีไปไหนเล่าเกียมอุยจะโกนก้องเข้ามาอย่างนี้ก็จะว่าแต่ซุมาอี้เลย แม้แต่ทหารของสุมาอีทั้งหลายทั้งปวงได้ยินเสียงเกียงอีเห็นเกียงอีขั้วมาตะวีเข้ามาเนี่ยต่างคนตกใจต่างคนทิ้งอาวุธรีบหนีลงบุคคลครั้งเหยียบย่ำกันตายเป็นอันมากทีเดียวกองทัพจมูนเป็นหมื่นอย่างเนี้ยแล้วก็แต่งเครื่องรบครบครั้งน่ะมันจะต้องหนักหนาเพียงไรใครลม้ลมลงไปก็ทวงเหยียบตายสุมาอี้นี้ขับม้าฟาตะวีหนี้กลับไปเลย สุมาอี้ควบมาหนีกลับยังไม่ยอมฟังใครทั้งทตัวเในที่สุดได้ยินได้ยินเสียงแฮหัวฮวีแฮหัวป่าขับมามายึดมังเหียนมาของสุมาอี้เข้าไว้นี่จนเขาวิ่งมายึดคือควบไายตามร้องร้องหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนเนี่ยสุมาอี้ไม่ได้ยินแล้วหูอี้มาต <c oughs> นกระทั่งลูกฉากเสือทั้งสอง แฮว์ป่าแฮว์ว์ฮุยเป็นลูกแฮว์ว์ตุ้งลูกชาเสือทั้งสองนี่มายึดสายบังเห็นม้าสมาอี้เข้าไว้ชขาก็ร้องกรอกหูเข้าไปแล้วว่ายุดก่อนสมาอี้ดีตกใจคิดว่าชาสือตามัดตัดสิษะเอาไปที่แล้วยกมือขึ้นคขำสิษะดูทําครอตัวเองโอ้ีิสายังติดอยู่แต่กุดยิ่งยิ่งขับม้าวิ่งตะลุยตะลึงเปิดไฟเงินใหญ่แฮว์ป่าแฮว์ว์ุยก็ควบม้าตามั่นแหละ แล้วก็ร้องตะโกนขึ้นท่านจะตกใจเลยท่านจะตกใจไปทหารมิเรนเสฉวนน่ะกลับไปแล้วสุมาอีได้ยินเขาย่างนี้จึงได้สติหยุดอยู่แล้วก็ได้รู้ได้เห็นว่าตนยังมีชีวิตอยู่ผู้ที่ติดตามมาเนี่ยไม่ใช่ทหารของเดนไม่ใช่ทหารมินเสฉวนทหารของตัวเองคือแฮว์วป้าแฮ ว, ว์ว์วี ซูมาอี้ยุดมาอยู่ด้วยความอ่อนระหวยแล้วก็ตั้งกองส่องสมทหารคือรวบรวมทหารทั้งปวงทีแ่แตกตะเลยเปิดเปิงกันหมดนดั่นแหละรวบรวมทาหารทั้งปวงได้แล้วก็กลับไปยังค่าย สองวันต่อมาสุมาอีจะหายตก อ, อกตกใจวันวานผวาไปบ้างแล้วหรือหายประการใดกะช่างเถอะสองวันต่อมาก็มีชาวบ้านแถวนั้นน่ะเขาไปบอกกับสุมาอีวะ่ะกองทัพเมืองเสฉวนที่ยกถอยกลับไปนั้นพระเจ้าได้ยินเสียงร้องไห้อีอี กุียนขึ้นปักธงขาวที่ชัดออกมาให้ท่านเห็นนั้นนะ่ะนั่นนะ่ะไม่ใช่ขงเบ้งเป็นแต่รูปหุ่นทมปลอมไว้หวังให้ท่านเกรงบัดนี้ขงเบ่งตายแล้วนี่รายงานอย่างนี้จากชาวบ้านทัหลายทั้งปวงผู้เดชเหตุการณ์จริงๆ ร, งรู้จริงๆมา บอกกล่าวเช่นนี้สุมาอีเด็กฟางดังนั้นจะเปรียบเปรียบเหมือนดังมีผู้วิเศษที่ยิ่งใหญ่มายกเอาภูเขาใหญ่ที่ทับอกตลมออกไปเลยทีเดียวสุมาอีเบาตัวเบากายเบาใจยินดีเป็นที่สุดก็จึงอา เร่งคดีการแล้วก็เห็นทีเดียวละ่ะคือพรมีสติขึ้นมาก็ดูการทั้งปวงเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงน่ะแล้วก็เห็นได้ละรู้ได้ละ ว, ว่าคงเบ่งตายแล้วแน่แๆตายแล้วละ่ะแต่เรายังไม่ประจักษ์ทักแท็บันี้เรายุรู้แน่แล้วจำจะยกกองทัพไปติดตากสุมาอยังไม่ยอมละไม่ยอมหวาน ก็สั่งจับแจงทหารพร้อมอท้กหมวดทุกกองแล้วก็ยกตามไปไปถึงตำบลช่งงานโผก็เห็นว่าไม่อาจจะตามได้ทนนางกองทัพเมืองเสฉวนแล้วอ่ะก็พากันกลับมาก็ต้องเดียกว่าสองครั้งสามครารุ่งแต่ดาวตกว่าองไม่ตายก็ไม่กลัดทำอะไระให้ใหว่าป๋าไปสืดรู้ว่ากองทัพถอยไปแล้ว ติดตามไปแล้ก็ถูกตีกลับมานี่เวลามันร่วมไปเท่าไหรเอาตีกลับมาอยู่เฉยๆสองวันเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วจะตามไปทันอย่างไรอ้าวเมื่อไม่ทันแน่แล้วก็พ า, ากันกลับยกกองทัพทั้งพวงกลับสุมาอีก็จึงว่าแก่ฐานทั้งปวงว่าซึ่งคงเบ้นบายเชเรลนับัุนีบรรดาทหารทั้งทั้งปวง จะได้นั่งเป็นสุกนอนตาลับสุมาอิกร่าวอย่างนี้เลยคือตัวเองด้วยแหละนั้นกลับมาถึงนาที่ที่ต่างข่ายของเบ่งก็เข้าไปดูข่ายทั้งปวงข่ายใหญ่ยยข่ายน้อยสึ่งของเบ่งต่างไว้นั้นนะ่ะต้องตามตำรับตำราพิชัยสงครามทั้งปวงเป็นอันดีสุมาอิกรจริงว่าอันสติปัญญาของเบ็ง น, นั้นจะหาผู้ใดเปรียบมิได้แล้ว โดยสมัอีก็กำชับด่านทานทุกตำบลให้ตรวจตราระวังรักษาไว้ให้เป็นมั่นคงแล้วก็ยกถับกลับเมืองโลกเอียน ราวกันตรงนี้เพียงนี้ว่าจบสุดอันสําคัญระหว่างเสฉวนกับหูตโตะโรเอียงแล้วก็ได้นะครับกว ย, ยุติเพียงเท่านี้คงเบ่งตายแล้วกลับไปแล้วสุมาอีกอกลับแล้วจะว่าหมดเรื่องหมดราวกันเพียงเท่า น, นี้ก็ได้จะจบกันตรงนี้กลางนั้นหรือก็มิสมบูรณ์นะครับ เราจะต้องหวาดกันด้วยสมบูรณ์บริบูรณ์เรามาดูที่ผมกล่าวไว้แล้วนี่อุยเอียงตรอดชีวิตไม่มีโอกาสได้ทรยศเลยเอาละ่ะทีนี้ข้างฝ่ายเอียวนี้กับเอียงอุยเนี่ยที่คงเนเหตองคนนี่ยคุมกองทัพกลับเนี่ยเอาก็ดำเนินการต่างๆมาประกาศหลอกล่อจงซูมาอีกกระเจอกระเจินแล้ว ก็ยกทัพกลับเรื่อยมาละเอา้ามาถึงตำบลเกียงโตอันเป็นปากทางจะเข้าเมืองเสฉวนแล้วก็หยุดทัพอยู่ยแล้วก็บอกแกทางหพวกว่าขงเบ้งตายแล้วให้นึ่ขาวห่มขาวตามทา ง, งนีนคือนี่เกรกว่าทหารหลวงอาจจะรู้ระแคะระคายบ้างนะแต่ก็ขาวนี้ถูกปิดเงียบนี่นะครับ ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มีโอกาสให้ใครรู้จริงได้ละนอกจากนายถามผู้ใหญ่คนสําคัญสําคัญตอนนั้นแต่แค่ชู้คนปิดปัตรเนี่ยบัตรนี้เรียกว่มีการประกาศเป็นทางการขึ้นแล้วพวกโอ้งเม่งตายแล้วให้มุ่งขาวห่มขาวตามธรรเเนียมทหารใหญ่น้อยทางตวงได้รู้ความเข้าดังนี้ต่างคนต่างตกใจต่างร้องไห้รักโค้งเบ่งเที่ยวฟิสระเข้ากระทบศีราถึงแปก็มี ที่กระทำาจนถึงสรุปไปเลยก็มีเป็นอันมากในขณะที่เกิดความวุ่นวายโศกสังกันอยู่ในกองทัพด้วยความรักอะไรเป็นที่ยิ่งเนี่ยก็จะยินเสียงฐานโหร้องขึ้นสิเห็นแสงเพลิงเผาผลาญก็มาทางศอกเขาเอี่ยวหนีก็ส่งมาชายรียไปดูมาชายก็กลับมารายงานว่าบัตรนี้ขี้เอียนคุณทหารมาสกัดอยู่ นี่ไงเอี่ยงหนีได้ฟังตกใจทีเดียวก็จริงว่ามหาอุปราชยังอยู่นั้นก็ได้ทำหมายไว้ว่าอุยเอียนจะเป็นขบฏบัดนี้ก็สมคามหาอุปราชแล้วซึ่งอุยเอียนมาตั้งสกัดทัพเราอยู่ดังนี้ท่านทั้งปวงจะคิดประการใดบิฮุยบิวุยุณนางผู้ใหญ่ เขาจริงว่าซึ่งจะรบพุ่งกันนั้นจะกลัวอะไรแกอวีเอียนแต่ให้มีใบบอกเข้าไปกราบถุงพระเจ้าเราเซียนแห่แกงก่อนเพื่อจะได้ป้องกันเมืองเสฉวนไว้ให้มั่นคงมีฮุยบอกอย่างนี้เราไม่ต้องกลัววี เ, วเอียนเอี่ยงนี้ก็จริงว่าทางเจ้าสั่งลัดไปมีเสฉวนไดม้มีทางลัดไป ไม่ไม่ไ ม, ไม่ต้องไปทางที่วเ่งนสีกัดดีหรอกแล้วอย่างนีก็แต่งหนังสือให้มาใช้ถึงข้อราช ก, การทั้งปวงเลยก็ไปแจ้งไปกราบทุนให้พระเจ้าเราเสี่ยงไปสาบก่อนละ่ะทีนี้ขั้นควายพระเจ้าเราเสี่ยงละตั้งแต่แจ้งว่าคงเบ่งป่วยมาเจ็บมาก็ไม่มีความสบายเลยและจนกระทั่งเมื่อคงเบ่ง ลมไปนั้นเมื่อคงเบ้งตายนั้นพระเจ้าเราเสียนนี่เข้าที่มันถมทรงพระสุบินว่าเขากินปิ่นสารนั้นให้บรรดาลทลายลงคือภูเขาใหญ่เขากินปิ่นสารพัทงทลายลงนี่ทรพระสุบินเช่นนี้พอรูปข้าเสด็จออกอุนน่นมัน แกสุบินนิดนันนี่นนคุณนางทั้งปวงฟังคือเล่าความฝันเนี่ยคุณนางทั้งหลายทั้งปวงฟังเกียวจุยก็จึงทูลว่าเวลาคืนนี้เมื่อคืนนี้ข้าพเจ้าเห็นดาวสําหรับหมหาอุปรัตต์ตกลงมาข้างที่ตะวันตกเฉียงเหนือข้าพเจ้าเห็นว่าจะมีภัยแก่หมหาอุปรัชตซึ่งพระองค์ทรงพระสุบิน ก็เห็นยุติกันพระเจ้ารอเสี่ยได้แจงดังนั้นก็ยิ่งเศร้ามองไม่สบายเลยรันอยู่มาห้าวันริหกผู้ที่ไปถามคงเบ่งว่าตอนรั่วคงเบ่เจ็บมากคไม่เจ็บตายแล้วพระเจ้ารอเสียให้มาถามจะตั้งใครเป็นเหมาปราดแทนคนนั้นตายแล้วจะตั้งใครเป็นจะตั้งใครเป็นจนกระทั่งคงเบ่งขาดใจตายไปาคาคําถามเลยอ่ะ เอาฤกษ์ได้คำตอบเท่านั้นก็กลับมาคําตอบตามที่ผมไม่บอกกล่าวไวก้ก็กลับมากราบทูลความให้พระเจ้าเราเสี่ยนสาบผู้ประกันเและในสุดก็บอกว่าบัดเนี้คงเบ้งถึงแก่ความตายแล้วคผีฤกษกน่ะได้อยู่นาที่นั้นจนทั้งผมเบ้งสิ้นใจตายคาคําถามของตนไปนี่ยพระเจ้าเราเสี่ยนได้แจ้งดังนี้ก็ตกพระทยัยก็จึงตราวว่าซิ้นคงเบ้งถึงแก่ความตายนั้น ชะรอยเทพ ย, ยดาจะสังหารชีวิตเราและพระเจ้าราเสเซียนก็ส่งประกันแสงจนกระท่งสลบไปคันธีทั้งปวงก็เด็กเข่าแกะขายจนฟื้งขึ้นมาและก็พยุงเข้าไปในที่กลางไม้พระเจ้าราเสเซียนนั้นก็ไม่ได้ออกว่าราชการเลยเป็นหลายวันและคุณนางอาณาประชารัศดรในเมืองนั้น เมื่อรู้ข่าวนี้ต่างก็ร้องไห้รักคองเบ้งทุกตัวคนทีินี่ฝ่ายลิงเงียมลิงเงียมแม่กองสเสบียงผู้ช่วยช้าคนหนึ่งเนี่ยโตนเองเอ า, สาเสบียงไปส่งไม้พันก็อ่านขา่ลลขาวนู้นหลอกข่าวนี้จนคนองเบ้งต้องถอยทับกลับตอนนั้นนะ่ะแล้วก็ถูกคองเบ้งถอดลิงเงียมเนี่ยตั้งแต่ถูกถอดออกจากที่แล้วนะ่ะก็รู้ว่าตัวเองน่ะผิด ก็คิดอยู่ว่าจะกระทาความดีจะทําความเพียรให้คงเบ่งได้ใช้ตนสื่ไปอ่ะก็คิดอยู่ผิดผิรู้ผิดครั้นรั่วของเบ่งตายแล้วลิงเงียนเนี่ยนี่เราต้องมาดูกันลิงเงียนผู้ถูกคงเบ่งถอดออกแกตําแหน่งแม่กองสเสบียงใหญ่ลงไปเป็นไพร่เนี่ยพอรุ้คงเบ่งตายแล้วเนี่ย ร้องห้รักของเบ่งเป็นอันมากแล้วก็คิดว่าผู้ที่จะเป็นมหาปราชญ์ได้นั้นนะ่ะจะให้มีใจสัตย์ซื่อเหมือนของด้่งนั้นก็หามนิได้แล้วลิเกียมนันก็เป็นทุกข์กรอมใจจนในที่สุดถึงแก่ความตายตามของเบ่งไปนี่และขนะนี้มาชายก็ได้ถืนงสือวิเอียนนะ่ะเข้ามากราบรู่พระเจ้าระเสเป็นใจความว่า ดูวิเยนเขาก็มีหนังสือเขามากราบทูลก่อนแหะคือเขาพร้อมด้วยมา้าใต้นํากองทัพมาสกัดกองทัพใหญ่ของเอี่ยงหนีไว้แล้วนี่เขาก็มีโอกาสส่งหนังสือใบบอกกราบพูนกันมาก่อนว่าเอี่ยงหนีเป็นขบถชิงเอาศพมหาอุปราชไว้และคบกันกันกบข้าศึกที่ยกร่วงเข้ามาเนี่ยจะมาทำมันจะายเมืองเสฉวนข้าพเจ้าจึงคุมทหารมาสกัดอยู่ณป่าทางเจียงโต น, นี่นังสือมีเอี่ยนมนีมาอย่างนี้พเพื่อเจ้าเราเสีนเด็กแก่งมัก็ปรึกษากับคุนนางท่านปวงแล้วก็พูดอ่าเหแม้ว่าเอียงหนีจะเป็นขบถจริงอันอุยเอี่ยงเนี่ยก็มีฝีมือพอที่จะสู้รบกับเอีย่ยงหนีได้เหตุใดอุยเอียนจึงว่ารีบยกทหารมาสกัดทางไว้ที่เกียงโตยอย่างเนี่ย นแต่ก่อนนั้นเราได้ยินพระราชบิดาเรารตรัส ว, ว่าของเด้ทําไมว่าว่าอวีเอียนนั้นมีลักษณะเป็นขบวจะให้ฆ่าเส้นหนึ่งเดือนหากแต่ว่าคนทั้งปวงห้ามไว้ว่าวีเอีย น, น, นมีฝีมือก็จึงเอาไว้เป็นเพื่อนทหาเรเลวคือยังไม่ฆ่าเอาตัวไว้เพื่อใช้ ในการสงครามการสืบท้งพวงหรือว่าเอาตัวไว้ใช้เป็นเพื่อนทหารเลวขึ้นอุยเอียนมีหนังสือมากล่าวโทษว่าเอียวหนีเป็นขบถดังเนี้ยครั้งเราจะทําตามถ้อยคำในหนังสือของอุยเอียนนี้เกลีว่าเอียวหนีเนี้ยดีอยู่นีไ่ไดเป็นขบถเอียวหนีก็จะเสียใจยแตกตื่นไปเราจําจะฟังดูให้แน่ก่อน เจาเราเสี่ยงก็ก็ดูพอมีสติปัญญานะคือยังไม่เชื่อคุณนาผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงก็เห็นชอบด้วยละกับรับสั่งเนี้ยก็พอดีมาชายถึงซื้อของเอี่ยงนี้เข้ามาเหมือนกันแหมงซื้อเข้ามาตราผู้พระเจ้าเราเสียงนะ่ะเป็นใจความว่าเมื่อมหาอุปราชยังไม่ตายนั้นหนีไม่ซืยงังหนีนะ ว่เมื่อมหาอุปราชยังไม่ตายนั้นได้สั่งไว้ว่าให้ขีเอียนเป็นกองหลังจะเลิกท้ับกลับเมืนงเฉชวนครั้งมหาอุปราชตายแล้วขีเอียนไม่ได้ทําตามด้วยคิดเป็นขบดขุมฐานรีบมาสา ก, กัดอุู่ปากทางเกียงโตห ว, วังจะจริงเอาศพไปให้ข้าสึกนี่นังสืบ อ, อ, UN UN อย็ยางนี้ พระเจ้าเราเสี่ยงแจงชนี้ก็ น, นิสืยสองฉบับนั่นแหละมาปรึกษากับผู้นางทั้งปวงนะ่ว่าผู้ใดเก่งประการใดอย่างไรกันคนะือว่าจะเชื่อความข้างไหนกันดีเป็นการยากหนือนกันนะครับยากทีเดียว ทางเสฉวนจะตัดสินใจอะไรยังไงได้กันเนี่ยจะว่าหนังสือของอุยเอียงจริงหรือจะว่าหนังสือของเอียงหนี้จริงเออจะว่าของใครจริงของใครเท็จมันยากที่จะตัดสินใจลงไปได้เหมือนกันในการกล่าวหากันทั้งสองฝ่ายอย่างเนี้ยทา่ทานทำเหล่านี้อยู่แต่ในเมืงเสฉว น, เ, นเหตุการณ์จริงๆตัวเองไม่ได้ไปรู้ เกลืออ้วนเกลืออ้วนคุณนาผูใ้ใหญ่ก็ผู้ที่หกหลงในบอกกับลิฮกไว้เนี่ยแต่ตนสิ้นเลยเกลอ้วนเนี่ยเป็นหนาประหลาดแผ่น เ, นเนี่ยเกอ้วนเนี่ยก็กระทูนนิดเดวยวอันน้ำใจอุยเอียนนั้นฤทธิ์สยาหาความสัตว์มิได้แล้วถือตัวว่าเป็นใหญ่ครั้งเห็นเอี่ยงนี้เป็นแม่ทัพก็มีทิฏฐิมานะไม่ได้อ่อนน้อม ก็คเอาใจออกหากบอกกล่าวโทษเอียวหนีมาดังนี้อันเอียวหนีนั้นเป็นคนสัตว์ซื่อหมาอุปราชผู้ห่วงรับเด็กใช้สอยมันมามแล้วนี่ได้กตีเตียนประการใดข้าพเจ้าเกลียวอ้วนผู้นี้ขอประการตัวเอียวหนีไว้แม้เอียวหนีเป็นขบก็ให้เอาบุตรภรยาข้าพเจ้าไปฆ่าเเถอะ นี่เจ้าอ้วนคุณนายผู้ใหญ่คนนึงเข้ามากล่าวรับรองเอี่ยวหนีอย่างนี้พระเจ้าเราเสียนก็จึงถามว่าซึ่งอุยเอียนเป็นขบรถนึงเนี่ยเราจะคิดกําจัดในประการใดอยู่อ้วววนก็ทูลที่ประวัตพระองค์อย่าทรงพระวิตรตกเลยข้าพเจ้าเห็นว่ามีด้วยความเชื่อถือก็ยิ่งจริงใจนี่เจ้าอ้วน บอกอย่างนี้เลยว่าข้าพเจ้าเห็นว่ามหาอุปราชคงจะต้องบอกกอนอุบายไว้แก่อีเอี้ยงนี้ให้คิดอ่านกําจัดวีเอี้ยงเสียเป็นมาน่านคงดังที่พระองค์ก็กลับแล้วว่าพระราชบิดาของพระอง์ก็ตรับไว้ว่าคงเบ่งได้ทำลายไว้แล้วว่าวีเอี้ยนนั้นมีลักษณะเป็นขบดนี่เกเรวดกล่าวดังนี้ขณะนี้นก็พอดีบิวุยบีหุ มีขุนนางผู้ใหญ่เข้ามาทูลพระเจ้าเราเสียงตามอูบายที่อุยเอียนคิดอ่านเอาใจออกหาทุกประกาศคือมีอุยผู้อยู่ในกองทัพด้วยรู้ความจริงหรือซึ่งก็ความจริงที่ในมากราบภูมพระเจ้าเราเสียงเหตแจ้งทุกประการละเป็นอันว่ะก็ไปส่งตัดสินใจอะไรกันแล้วแน่นอนแล้วในเมื่อบีอุยมารายงานตัวเองเช่นนี้พระเจ้าเราเสียงแจ้งแล้ก็ปรึกษากับขุนนางทั้งหลายทั้งปวง ก็ให้งอุนไปเกลียดกล่อมเอาใจอุเอียนวัดตางอุนก็กราบถวายบังคมลาไปไปยังกองทัพอุยเอียนฝ่ายอุยเอียนตังทัพสกัดทางอยู่ณนะทางเจียงโตแล้วก็ยกเลื่องกันไปตั้งมั่นอยู่ณนะปากทางจำโก ใจยินดีว่าครั้งนี้เนี่ยสมความคิดเราเป็นมั่นคงแล้วและขนาดนั้นเดี่ยงนีกับเกียรอุยเนี่ยก็รู้รวบมีนทำอย่างไรเคลื่อนทับเคลื่อนกองไปอย่างไรก็จึงให้โหเป๋งมีทหารสามพัน 3, อยู่ป้องกันข้างหลังและก็ยกทัพพาศข่มเบ่งออมรักทาง จะไปหนะ้าเมืองฮันตงเมืองฮันตงถือว่าเป็นเมืองสําคัญที่ขงเบ่งตั้งกองทัพกองบัญชาการใหญ่อยู่ฮันตงนะแล้จะกล่าวอีกประการนึ่งก็ดังคําปฏิญาณครั้งสุดท้ายที่ขงเบ่งกล่าวว่าถ้าตีหูโตไม่ได้จะไม่กลับเข้ามือเสฉวนเนี่ยขงเบ่งตีหูโตไม่ได้ มาแบบ น, นี้เกียวหนีเกียงอุ ย, เ, อยเนี่ยคิดกันอย่างนี้จะให้เอาสบผงเบ่งเนี่ยไปหันโตกโฮปลงก็คุมหาไปข้างท้ายอ่าคอยคุมอยู่ก่อนดูก่อนตัวเองเป็นกองระวังหลังพร้อม 1, 3, เดือดฐานสามพันเมื่อได้เห็นเกียวงีเกียงอุยอ ย, ยกทับเคลื่อนไปพลตำบลจำโกกแล้วคล้อยฐานโฮขึ้นเป็นทีเหยาะเ ย, ะเ ย, ะยาะไม่มีเอี่ยน ฝ่ายมาชัยอุยเอียนเห็นนั้นก็รีบไปบอกเอกอุเอียนโนบัตินิเยวหนีเกียงเฮียพาศพคงเบ่งหนีรักฐานไปเมืองฮันตงแล้วโหเป๋งคุมทหารมาอยู่ป้องกันข้างหลังเฮบังอาจร้องท้าทายเยอะยอะิ่งขึ้นอุยเอียนได้ฝ่ายนั้นก็โกรใส่เกรอะถือทวนขึ้นมาพาฐานรีบตามไปสิเหียวโฮเป๋ง เห็นวีเอีนตามมาเนี่ยโฮเป่งก็หยุดอยู่แล้วก็เอาแฝ่มาชีาการเอาแฝ่มาชีนาเนี่ยถือเป็นการดูถูกเหยียดหามกันอย่างสุดที่ของในเหาทหารเนี่ยถือว่ า, าการกระทำเช่นนี้นี่เป็นที่สุดแล้วเอาแฝ่มาชีมาเนี่ยแล้วก็ร้องดาบวีเอียนว่ามาหาอุปราชตายนะเนื้อยังไม่ทํเยิน เหตุใดลึงจินทิพขบถดังนี้แล้วโฮเป็นก็ร้องประกาศแกทหารที่มากับมีเหียน่ะก็เป็นหทหึงเสี็จวนทีงนั้นแหละก็ร้องประกาศว่าบรรดาพวกเจ้าทั้งสวงเมื่อมหาอุปราชยังอยู่นั่นน่ะก็นม่ได้ทำสิ่งใดให้เคืองใจเจ้าเหตุใดและพวกเจ้าที่มาเข้าด้วยคนขบถนมได้คิดถึงดยพ่นธ์ญาติ จงชวนกันปรับก็ไปมงเสฉวนไปรับเอาวิววัดมิ่งปี น, มม น, นั่งมีเสฉวนเพื่อจะได้เรียร้ยงดูปริญญาสูงไปเถอะจะเข้าด้วยคบไอ้คนขบรถไม่ต้องการอันใดนี่ทาหารทั้งทวงที่อยู่ในมังคับของอุ่ยเอียนดูยินมันนี่ก็จริงนะคนก็รู้อยู่ในอุ่ยเียนกบอกนี่ก็มีผู้เสียรู้คิดเห็นชอบด้วย นีห่ออกจากกองทัพอีเหียนที่ต้องประมาณกึ่งนิ้วส่วนบางพวกบางคนก็ยังคิดเข้าห้างอวี้เหียนจะเป็นสมัครพระพวกอวียเหียนบาก็คิดว่าถาอวี้เหียนทาการนี้สำเร็จเป็นใหญ่เป็นโตโต้นก็จะพลอยใหญ่โตไปด้วยล่ะนี่ก็มีทิศที่อย่างนี้ก็มีทิศนี้นด้วยก็มีอา้าวพวกนึงก็หนีไปเลยอกนิดีนี้ฝ่ายอวี้เหียนได้ฟังโอเปิลว่ากล่าวดังนั้นและโอเปิลกหัน หนีทัพไปต่อแม่ต่อตาเนี่ยโ ก, โกุบโครไปนั่นมากขับมารํานาเข้ารถกับโคกเป่งดิศเปลยโคกเป่ง เ, เนนะี่ยทานกําลังซิ้งหนีอุยเอียนไม่ได้หรอกแต่พอประธาตประทังมาป้องกันตัวเองเอาชีวิตรอดไว้นะ่ะพอได้ก็พอพระธาตุประทัได้สิเปลยแล้วก็ขับมาหนีอุเอีนเยนไม่ทีก็ขับมาไล่ตามไปแต่เดือดเดียวละ โ่เป๋งเป็นกองหลัง่เป๋งเป็นทหารมีเดช่เสียงประการไดเป็นกองหลังเพื่อป้องกันเหตศของมหารปราหภวของเบงเลื่อนไปสู่หันถงได้สาเร็จนี่แต่โห่เป๋งต้องประทะ ก, กับอุเอียนและสู้อเยนไม่ได้มันแน่นอนนะฝีมือมันกระชัมอุเอียนขูขาตามไปไดเดืดริวร่ ทหารของโฮเป็งนะก็ช่วยกำกาวพันระด่มยิงมาเป็นสามาติเดียวขีเอียนเห็นลูกเกาพนะันนนะ่ะแน่นหนามัดก็ชักมาถอยมาแล้วเห็นทหารของตันะ่ะเบาบางทีเดียวก็โกรธใหญ่เหตุที่ทหารขีเอียนเบาบางลงไปเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกทหารของโฮเป็งฆ่าตายหรอกเป็นด้วยฝ่ายคำของโฮเป็งหยุด จ, จ่าชี้แจงถูกปิดแถวฐานนะั่นตได้เข้าใจอะ่ะ ว่าจะไปเข้าเด็กขบวยยังไรอ่ะไปเข้ า, ออาเด็กคนขบวทํา ไ, าไมหนีทหารกินหนีออกจากกองทัพอุเอียนเป็นต้องขึงอุยเอียนเห็นทาของเรือของตัวเรือ น, น้อยตัวแล้วเกินแล้วเนี่ยก็ทาําสงาไล่ฆ่าฟันทหารของโฮสิงล้มปายประมาณ9คนสิบคนื่อทหารที่จะหนีต่อไปเนี่ย ก็ไม่กล้าจะหนีคือคือไร้ค่าฟันทหารของตัวเองเนี่ยขอภัยทำสัญาไร้ค่าฟันทหารตายประมาณ9้าคนสิบคนคือค่าฟันทหารของตัวเองเนี่ยติดกำลังจะหนีทับตัวแล้วเนี่ยทหารทั้งตัวของวุยเอียนก็กลัวไม่กล้าหนีวุยเอียนก็ยังเห็นมาตายคุมทหารอยู่เป็นปกติอุยเอียนก็จึงพูดคัอว่ามาตายตัวท่านนี้ใจสัตว์ตู้ต่อเรา แม้เราทำการด้สมความคิดแล้วจะปูนบาเหน็จท่านถึงขนาดปุยเอียนหารู้ไหมว่าตัวเองพูดกับเรยาห์มาจุราชแล้วมาตา้มีอย่างไรที่โขมเ่งให้มาอยู่ด้วยปุยเอียนให้มาใตา้มาทำสิทธิเชื่ออยู่กับปุยเอียนนี่แหละเพื่อหาโอกาสจะสังหารปุยเอียนละปุยเอียน กล่าวกับมาต่าฉเนั้นแล้วก็พามาต่ายโดยฐานนวงติดตามโวเป็งตีติดตามระยะทางประมาณ0 0เร้เซนครั้งเห็นไม่พังแล้วก็หยุดถ่งกมาปรึกษากับมาต้าว่าเราจะชวนกันไปเข้าดรียโจยอยเถอะหรือจะทำประกันได้อันนี้เห็นชัดแล้วว่ามีอเหรียน ไม่อาจจะสวมรอยเข้าไปชิงเสฉวนได้แล้วเสฉวนทั้งตัวก่อนแล้วแล้วก็ไม่สามารถจะชิงศพหกลงคนเล่งมาอปราชแห่เงเสฉวนทุกคนรับไปแล้วได้ด้วยไม่สามารถจะติดตามกระทํำย่ำยีแก่กองทัพตั้งวงของเสฉวนได้ด้วยแบบนี้ก็ต้องคิดละตนจะเข้าเสฉวนก็ไม่ได้แล้วก็ตินชวนมาตา้าอยู่ไปอยู่กับโจยอยอะ มาตายก็แกล้งตอบบักท่านที่กลาวนี้ข้าพเจ้ายังเห็นว่าไม่สมควรด้วยธรรมดาเกิดมาเป็นชาติทหารถ้าการถ้าคิดการสิ่งใดอ่ะก็ให้สำเร็จต้องกระทำการให้สำเร็จจึงจะปรากชื่อเสียงไปผ่ายมาอันตัวท่านเบียกก็มีฝีมือ ก, กล้าหาร หาใครเทียบผ่านฝีมือท่านได้ไหมในเศจฉวนไม่มีทหารผู้หนผู้ใดจะมีฝีมือเท่าเทียมท่านได้เลยเราจึงประกอบด้วยสติปัญญาอิจการลึกซึ้งในมือเศจฉวนในมือท่านตรงนี้จะหาผู้ใดมาต้านท่านฝีมือละความคิดของท่านได้นีมาต่กล่าวอย่างนี้ทิงอยู่ข้อนข้อว่าฝีมือเนี่ยนะครับใช่ มาใตา้ฝีมืเป็นเลิเศในเซจชวนเนี่ยขนาดนี้มาใต้กล่าวอย่างนี้แล้วก็พูดต่อไปว่าข้าพเจ้าจะขออาสาที่หนึ่งเพื่อตีอามือหันโถงให้จงได้แล้วจะตีเอามือเซสชวนให้ได้ท่านก็จะได้เป็นใหญ่สมความคิดมาใตากาา้กล่าวดังนี้วีเอียนวีเอียนกล่าวด้วยว่า ถูกถูกกำหนดว่าเป็นคนทรยดแต่ตลอดเวลาชีวิตของหกหลงคนเด่งอุยเอียไม่มีโอกาสได้ทรยศ์แบบนี้สิ่งชีวิตมหาอุปรารถไปแล้ ว, วอุยเอี้ยงผู้ทรยดนีแต่รู้ในคนอูบายแต่ประการใดเลยมาตายมาอยู่กับตนอย่างไรประการใดก็ไม่รู้นี่เห่อเห็นรลเหตุการณ์ที่ผ่านิดมาตายยังคน อยู่กับต้นมีโดตรอดก็คิดอย่ามาต้ายนี่ยสักชื่อไม่ได้รู้ในตนอุมาให้เลยอ่ะและมาต้ายกล่าวจช่เนี่ยก็มีใจยินดีก็จึงพากันรีบยกไปตั้งอยู่ใกล้กำแพงเมืองอันตงฝ่ายเกียนอุ่ยเยียนอุ่ตอนนี้นำเอาสพของมหาปราชญา คงเด่งเข้าไปไว้ในหันถมได้แล้วเข้าเมืองหันถงได้แล้วเกียรอุเนี่ยก็ขึ้นนะมนบาบนเชิงเทินเห็นอุ้ยเอียนนาทัพมาตั้งข่ายอยู่เชิงกําแพงเมืองเนี่ยเกียร์อุยอ้ยก็ตกใจเหมือนกับก็ปรึกษากับเกียร์หนีว่ามีเยียนเนี่ยถึงว่ามีทหารน้อยกว่าจริงแต่อุ้ยเอียนนี่มีกําลังเด็กผู้ต้าน อิ้งีได้มาต์ใต้ไว้เป็นกําลังด้วยเราจะคิดกําจัดประการใดยิงอุ ก, ก็ไม่รู้ในอุบายที่ขงเบ้วางไว้ผมบอกมาต์ใต้ไปเป็นกําลังของอุยเขียงด้วยเนี่ยวิตกทีเดียวละเราจะคิดกําจัดประการใดลุงหมีก็บอกว่าเรื่องนี้พระมหาฟราที่ยอมรับไม่เหมาะเป็นสือและให้ขบเคี้ย และได้บอกไว้แล้วว่าถ้ามหาปราชญ์ร่วม ร, รับไปเมื่อใดกุยเยียนจะเป็นขบเุตอนั้นทํามันยกมาถึงเจงกําแพงเรือนให้เอาหนังสือออกมาดูและอีกประการมหาอุปราชได้สั่งเป็นความรับไว้กับมาต่ายให้มาต้ายไปอยู่กับกุยเยียนหวังที่จะคอยทกากลางนี่โยนี้ที่จะให้เกียนอุปฟังดังนี้แล้ว ก็เอาหนังสือของขมเบ้งที่ให้ไว้ก่อนตายออกมาฉีดพอดีออกดูเห็นหนังสือนี่นฉันบอกสั่งไว้ว่าถ้าขึ้นม้าออกไปรบกับอวี๋เอียนจึงให้ฉีกหนังสือชั้นใหม่ออกดูนี่ดูจะบอกแกเปล่าไว้ให้หมดนี่ได้หรือแต่นี่แหละถ้าเกิดทำการวันนีรอบคอบมัด เป็นชั้นเป็นชั้นชั้นเป็นขั้นค่้นเป็นป้อนซอนีบอกว่าอย่างนี้ถ้าขึ้นมาออกไปรบ ก, กับวีเอียนแค่ชี้นิ้อท่านนายออกดูเรียกว่าเป็นสองชั้นจะหลังสื็นฝืนสองยันวิวเอียนอาจาราย์ครับยันีิเลวเบส่าความีฝกเงก็มีความยดีดีไปประกาศ ความเชื่อถืพบประการอยู่แล้วนีว่ความผิดพลาดบกพร่องนี้มีมังเกิดขึ้นแน่เห็นคําสั่งพิเศษนี้ขวัดเยวหนีวะท่านจูอ้อนหนังสือนี้ไว้เถอะตัวเราจะออกไปรบ ก, กับอวีนก่อนและท่านจงคุมทหารหนุนหลบไปเอวหนีก็เห็นชอบเลยอวีนอี๋ก็ขึ้นมาคุมทหารไปทีเดียว ออกจากเมืองไปถึงหน้าข่ายีอเอียนร้องดาอีเอียนทีเดียวว่าเมื่อมาหาอุปราชยังอยู่นั้นผมไมได้เคยทําหยากช้าแกมึงดับระการใดเหตุฉะไหนมึงจึงคิดขบวน ด, ดังนี้เกณย์อุบาไปอย่างนี้วีเหอียนก็ตอบว่ามิชัยเป็นโรงการของมึงมึงจงรล็กลับไปบอกเอีย่ยนีตัวกลางให้ออกมารบกับกูจึงจะชอบวีอเอียนจะรบกับ เอี e ่ยงงี่นาดนัน e นี่ยอี่งก็คุมหหนีออกมาแล้วก็เข้ามาอยู่ในกองทหารของเียงอนเนี่ยดยเสียงอุอ้ยเอนร้องว่าดังนั้นเนี่ยอยีก็ี อ, ออกดู่ผมไม่สั่งไว้แล้วเป็นชั้นเป็นชั้นอย่างี้มาถึงตอนนี้นจะรบกัน้ อ, ออกดเอาละอีย่ก็ชี อ, ออกดูหมือความว่าให้ลวงุยเียน เมออุเอียนมีใจกับโลกร้องว่าใครจะอาจสามารถฆ่ากูได้เรื่นี้ความทาั้นี้ได้สั่งความรับไว้กับม้าใต้แล้วนี่ด้วยซื้อมีความเรื่นี้คือให้ใ ห, ออให้อุเอียนเนี่ยอุลวงอุเอียนให้อุเอียนร้องคเาเดียวแหะว่าใครจะอาจสามารถฆ่ากูได้เนี่ย ส่วน เ, เรื่องอื่นสั่งมาใต้แล้วเดี๋ยวหนี้แกล้งเงสียงดังนั้นร้องไปเก็บอูเอีนทีเดียวว่ามหาอุปราแก้งอยู่ว่ามึงเนี่ยจะเป็นขบุกที่สั่งไว้ให้กูเนี่ยเป็นผู้ฆ้ามึงเสียถ้ามึงสา ม, มารถถ้ามึงอาจสามารถแง่มากขึ้นไปบนอากาศร้องเสียงอันดังให้ได้สามครั้งว่า ผู้ใดสู่งกล้าหาญจะบังอาจฆ่านีนได้กูจะยกเมืองทันถงให้ย่าหนีว่าอย่างนี้นี่เอียนได้ฟังเท่านี้นี้มันจะยากอะไรอ่ะกับการที่จะตะโกนประกาศให้กล้องฟ้าไปล่ะก็ะจึงตอบว่าเพียงเท่านี้เลยนี่จงฟังเถอะนี่เอียนว่าดังนี้ลวกแหนมากขึ้นไป บนอากาศนุ่แล้วก็ร้องตะโกนออกมาว่าผู้ใดจะอาจสามารถติดจะฆ่าอูได้ดีอู๋เอียนแนนมนหม่ม่าตะโกนไปอย่างนั้นมาตายเท่ากับเป็นหานโกนสนิทของอู๋เอียนนี่ยืนมาอยู่ข้างหลังอู๋เอียนเนี่ยได้ยินอู๋เอียนร้องขึ้นแต่คําเดียวดังนี้คือร้องขึ้นคือแค่ร้องสามครั้ง เอียนประร้องประกาศเพีงครั้งเดียวนี่มาต้าก็ร้องเสวนขึ้นมาดีเว่ากผู้ดีดีได้รับคำมหาอุปราชไว้ว่าจะฆ่ามึงแล้วก็ทันทีกับคาพูดนั่นแหละป จ, จุบันทำกันเลยกระบี่ในมของมาต้ายซพร้อมอยู่แล้วก็ฟันทูตุยเอียนคอขาดเลยศรีรษะขาดกระเด็นหลัดออกจากกาย และเอี่ยวหนีกับเกวียวอูเรเห็นดังนั้นก็มีความยิงดียืนะ ก, ก็จึงให้มาตายเนี่ยเอาศีรษะมีอเอียงผู้ทรยศกรบเข้าเมืองหันผงความในตอนนี้จา ก, กสังกุมวับวันิพกของยาขอบสิครับต้อธิบายไว้ชัดแจ้งเลยทีเดียว ก็ขนาดที่อมเอเยี่ยมต้องต้องแหนหน้าถึงไปกระโจให้ป้องฟ้าเนี่ยก็หนีอะไรตัวอไรหลายอย่างในตัวมือยี่ยนที่มีอยู่เนี่ยเอ่อสุรวมเรียกกันว่าลักษณะของคนทรยศมันก็ต้องมีอะไรอยู่พร้อมอะสิ่งที่ไม่ดีเอาขันแหวนนี้ก็มีแหน่หน้าสิแม้หน้าไปข้างบนดุนน่ะถ้าจะเห็นข้างล่างไปอย่างไรแล้วก็ลําคอเนี่ร มันก็พร้อมคือร่างกายของนักลกแต่โบราณเนี่ยจะต้องสวมใส่กรอะนะครับมันหาจุดแทงจุดฟันกันหนีจะ ต, ต้องสอดแทงเข้าไปในรอยต่อของเกรกาะอะเรลรานี่ที่มีช่วงที่แง่หน้าเกินไปที่นี้ช่วงคอเนี่ยมันเปลือยเปล่าอยู่มาตายอยู่ป ล, ปลายๆมันก็ปวดทับก็ให้ก็ในขณะที่จะรกกันอยู่แล้ว ระีในมือก็ต้องปุยคมอยู่แล้วล่ะแหมหนก็พร้อมอยู่แล้วอุยเอียนแงน่ามาต้ากัฟัดชับศีษะระเบ็นยุดฮึอเอาเปน็นว่าอุยเอียนก็จบชีวิตงด้วยคงเบ่งนี่จะจะกล่าวกันย้อนอีกชนิดนึ่งวะคเบ่งก็จบชีวิตวอุยเอียนน่ะจะถูกรือผิดกัะไรล่ะนะครับ เอาเป็นอันว่าม้าตา ย, ยู่ศรีระอุยเอียนเขา้ามองเงินโต้งก็ได้พบกับตังอุ้เอาถอยทีถอยแถงชี้แจงเมื่อความจึงกระทำการฟันทุประการยื่นี้กับกินอุยอ่ะก็ให้ม้าต้กับตังอุ้องคุณนายผู้ใหญ่ผูนี้เอาศรีระอียเยียนขึ้นไปถวายแกพระเจ้าเราเสี่ยก่อนแล้วก็บอกว่าเราจะนำศพมาหาอุปรัชขึ้นไปต่อภายหลัง ปางอุลก็ออกเดินทางไปเมืองเศวชนเมื่อถึเเศวนก็ทิสสะอุเอียนเข้าไปถวายแก่พระเจ้าเราศีนแล้วก็กระพุ่มเนื้ความทั้งวยทรงทราบทูกรประการที่มาป ร, ราชญ์ได้วางแผนประการได้อย่างไรในการปิดจัดกจัดอุเอียนได้เนี่ยกระพุ่มความได้ฟังสิ่ง พระเจ้าเราเสี่ยแจงดังนั้นก็กล้าแตุ่งนางทั้งปวงวะ่ะวีเอียนกระทำความผิดถึงแต่ความตายแล้วอันความชอบวีเอียนก็มีอยู่แต่ก่อนพระเจ้าเราเสี่ยงกระดังนี้ก็ถูกต้องวีเอียนแต่ก่อนก็กิะทำความชอบไวยมากจึงพระเจ้าจทานเงินทองให้บุตรภรรยาไปแต่งการศพวีเอียนตามประเพณี เอี้ยวหนีเกียร์อุ้นั้นก็เคลื่อนศกหมาปราจากหันโตมมายังเฉยฉวนมาถึงนอกเมือเฉยฉวนก็ประทรงหมายทหารเข้าไปแจ้งพระเจ้าหลอกเสื่อได้แจ้งฉะนั้นก็ทรงเค้ื่องขาวคือไว้ทุกข์ลให้ขุนนางทั้งปวงนุ่งขาวห่มขาวและพวม ก, กับเสด็จขึ้นรถ ออกไปรับศพออกไปรับศพขมเบงทางประมาณ200เซนเพราะเจ้าเราเสียงกับคุณนายทั้งปวง แ, และมาประชารัศดรทั้งหลายนั้นก็ร้องไห้รักขงเบงทุกคนแลว้วก็เชิญศพขงเบงเข้ามาให้จูกะเตียมรักษาไวณาบานก่อนนี่บุตรชายเชื้อสายขงเบงคือจูกะเตียม เยวนีนั้นก่อนหนังสือของเบ่งผิดเขียนไว้ก่อนป้านะขึ้นไปถวายพระเจ้าเราเสียงแล้วก็ทูว่าของเบ่งสั่งว่าให้เอาสพไปฝังไว้หน้าเขาเต็งกุมสามแต่อย่าต้องใหยกอห่ออุปรฎิแต่งเครืเส้นเลยนี่อันนี้เจะกล่าเป็นตามธรรมนีรประเพณีลงไปให้ลึกซึ้งแล้วนี่เป็นความลึกซึ้งยิ่ง ศพคงเบ่นะต้องกล่าวว่านี่อาจจะฝันในที่ที่อันควรฝันได้ไปซ้ำไปเพราะคงไม่สั่งเข้าไว้อย่างนี้ให้เอาศกไปปาแบดปาฝนที่เป็นคุณศานนั่นแหละคือไม่ต้องก่ออุดไม่ต้องแต่งครึ่งเส้นอีกด้วยอย่างนี้จะมีประ ก, การใดอย่างไรอ่ะพระเจ้าเราเสียมไม หนังสือของคงเบ่งแล้วแจ้งใจความในหนัสือนั้นและในคําสั่งของคงเบ่งเนี่ยก็สรโศกเศร้าเป็นอันมากแต่ก็ไม่อาจจะดถึงจะมีพระพายี่ควรจะจัดศพผู้มีพระคุณต่อพระองค์วนะัี่อันควอันเหมาะอันสมก็ทําำดีต่างๆให้สมกับเกียรติยศคุณงานผู้ใหญ่ผู้มีคุณต่อแผ่นดินและพระองค์เองก็มีอาจจัดเธอทำได้ครังถึงวันกําหนดก็เชิญศพคงเบ่ง ไปฝังไว้ในเขาเป็นกุญสารแล้วก็ตั่งเอียยงนี้เป็นคุณนางฝ่ายกรมวงังให้มาใตา้เป็นคุณนางแทนที่ตำแหน่งของมีเอียนต่อไปเหตุการณ์บ้านเมืองดูว่าควรจะสง ชกางตังเรารูโตนี่ะวั น, นมาใช้โดยนเนื้ความเข้ามารายงานคุณนายั้งวกปรึกษากันแล้วก็นำรายงานฉบับนี้ขึ้นกราฟคุณพรเจ้าเราเสียงากองทัพมืกางตังคุมทหารประมาณสิบมืยกมาตั้งอยู่ณปากทานเมืงป่าอิว มันมีขึ้นทันีีแล้วพระเจ้าเราเสือเด็กแจงก็ตกพระภัยทีเดียวก็จริงว่ามหาอุปราสถึงแต่ความตายเมืองการตันเก็ออายกกองทัพมาจะทำดังนี้จะทำประการใดเกียวอ้วก็ถูกว่าขอให้เตียวหนีกับ อ, องเป่ง คุ้มฐานสิบมืไปตั้งอยู่น้ามเมืองเอ่งอ๋งแล้วให้แต่งคุ้มนางไปบอกสื่ตควนว่าขมได้ตายแล้วหวันที่ได้ฟังกิติศักเมืงกางตังว่าสื่อควรจะคิด่านประการใดคือกางตังยกทัพมาตั้งปากทางเมืงายตยังไม่รู้ว่าจะทาประการใดอย่างไรนี่นเ่จออยากจะรู้ความในใจของสื่ตควรเ่อจเกิดทเช่นนี้ เพื่อจะราเสือใหญ่ชอบด้ยกิเล่ตี๋งี้กับองเปนงี้ยกกองทัพไปไปตั้งอยู่ในเมืองเองอังแล้วให้จองอี้เป็นคุณนางผู้ใหญ่ซึ่งมีสติปัญญาไปน้าเมืองการฝังตามคําเจียวเลือดวักจองอี้ก็ลาไปเมือการตานเห็นคุณนางท่งงานปูนห่งขาวห่มขาวจองอี้ก็กลับไปํานับสุ่งกวน บอกว่าพระเจ้าสุมกวนแล้วก็บอกว่าพระเจ้าเล่าเสียงให้ขบเจ้ามาแจ้งนื้อความว่าบัดนี้คงเด้งมหาอุปราได้ถึงแก่ความตายแล้วสุมกวนได้ฟันั้นก็ทําโกรธทีเดียวว่าเมืกลางตังกับเฉยิฉวนก็เป็นไม่ปรีกันเราก็รู้ว่าคงเด้งตายแล้วเราให้ชามยังลู่ขาวหุ่ขาวเห็นอยู่เหตุใดพระเจ้าเลาเสีย ทีนี้ยกกองทัพมาตั้งอยู่เมืองเองอัหวังจะแกะแ้แค้นครั้งที่ลกซุ่นให้เผาทางเล่าปีเสียถึง7จ็ดสหมืน่นจนเล่าปีหนีเข้าไปอยู่ในเมืองเต๊กเตเสียจนถึงแต่ความตายที่นั่นอย่างั้นหรอือสุ่นควรทำโกรธล้ว่าอย่างนี้ทำเป็นโกรธละ่ะจองอีถูกเสฉวนก็ตอกว่าแดนเมืองเสฉวนฝ่ายตะวันออก ไปจนถึงเมืองป่าจิ๋วฝ่ายตะวันตกไปจงถึงเมืองเป็กเตเสียพระเจ้าเราเสี่ยงรู้ว่กองทัพเมือกล า, างปางยกไปตั้งอยู่ณเมืองป่าจิ๋วจึงแต่งกองทัพมืองเศษฉวนมาป้องกันไว้ณเมืองเองอ๋องจองอีปปอ้ตอบเชนนี้ก็ตามความจริงแหะซึ่งกูเล็กฝันก็หัวเราะแล้วก็ตอบว่าซึ่งเราเสี่ยงทําดังนี้ เอาความคิดเป็งจีพูดตายอยู่ในเมืองเสฉวนนี่สุวนควรว่าอย่างนี้เป็งจีนี่มีเรา ม, ามารู้ความวัาตรงนี้เองว่าเต็งจีพูดคนสำคัญคนนี้ตายซะแล้วในเมืองเสฉวน แ, แล้วก็ว่าแต่เรานะ่ยรู้ข่าวว่าผมไม่ถึงกับความตายเราก็เป็นตุ้งอยู่เป็นอันมากเราเกรงว่าเจอย่อยจะให้ยกไปตีเมืองเสฉวน เราจรึงแต่งกองทัพไปต้านส ก, กัดไ ว, ว้ไม่เมีปลากิ๋วนั่นหวังจะช่วยป้องกันเวียนเสฉวนหรอกนี่คือความในพระทัยของสุ่มควรไม่ใช่ต้องการจะบดขยี้ซ้ำเป็นเสฉวนหรอกจองอีเ้เลยความนั้นคมีความยินดีกลาบกระมับสุนมวนแล้วก็ถือว่าซึ่งซึ่งท่านคิดดังนี้สมควร น, นะเพื่อจะสุ่มควรก็ถือว่าตัวเรานี้รักษาความศักดิ์อยู่ ที่คิดร้ายต่อมีเสฉวนเลยและพระเจ้สุนกวนก้ารูปเกาทานมาหักออกเป็นสองท่อนนี่เป็นการสแสดงปริยาสามานที่มั่นคงนะแล้วก็สามานออมาว่าถ้าเราคิดร้ายต่อมีเสฉวนก็ให้เราและลูกหลานเราทั้งตังเป็นอันตรายเหมือนรูกเกาทานนี้เถอดนี่พระจะาสุนกวนกระทำอย่างดี โปรประกาศสัจกวาจาเดริยาออกมาเลยปรากฏจัดแจงสิ่งของให้ทหารคุดีไปเส้นศกของเบกจองอีกอคมาบราพาฐานสุงปวนไปถึงเมืองเซชวนทูลพระเจ้าเราเฟ่งให้ได้ทรงทราบทุกประการบัดนี้สุนปวนให้ฐานคุมสิ่งของมาเส้นศพของเบกด้วยพระเจ้าเราเฟ่งแจงแ้งนั้นก็ยินดี ก็ปูนบำเหน็จจงอี้ผู้เป็นถูกครั้งนี้ด้วยดีนี่แล้วก็ประชาราษฎทหารสุงควรถึง ม, มาเส้นศอกของเบ่งนั้นตามสมควรทหารของสุงควรกันตั้งอธิมิตรเส้นศอกของเบ่งแล้วก็าลากลบไปเมืการตั้งพระเจ้าเหล่าเสียงก็ตั้งเกลียวอ้วนขึ้นเป็นมาหาอุปราตามคาของเบ่งสั่งไว้ ชายบุยเป็นผู้เจัดการมหาอุปราชงอทีนั้นเป็นทหารใหญ่ได้วาระจการในเมืฮันตงเกียงอุยเป็นขุนนางสําหรับบังคับบรรจารหมายทหารทําการสงครามแล็นขุนนางทั้งสองให้อยู่ตามที SO. eh ่ตามตําแหน่งงอทีกับเกียงอุยก็ลาถวายบังคมราไปอยู่ณเมืองฮันตง มีง อ, อีเป็ น, นายานใหญ่ว่าราะการเมืองฮันเติงเยียนอีนั้นก็เรียกว่าเป็นแม่ทัพบับงคับคุณนางนายฐานทำบออกรบเนี่ยเรียกว่าฝ่ายบูฝ่ายบุมเนี่ยที่เมืองทารนนะ่ะก็คือหันเตงเป็นมีมงห้าด่านสำคัญของเฉลิฉวนทั้งสองคนนี้ก็ต่อไปอยู่เมืองหันเติงเยี่ยงหนีนั้นยี่หี เดี๋ยวนีผู้สิงคนงเบ่งตั้งเห้เป็นแม่ทัพตอนถอยกลับเนี่ยครั้นออกจากที่เฝ้ากลับมาถึงบ้านเนี่ยมีความน้อยใจว่าพระเจ้าเราเสื่องเนี่ยตั้งเกียวอ้วนเป็นหมาปรปราชแทนของเบ่งก็ถืงว่าแกบิดหีว่าเมื่อคองเบ่งตายนั้นก็มอบตราสำหรับที่ไว้แก่เราแม้เราจะคิดเอาใจออกหา เจเด็กโยยย้อยก็จะมีความสุขจะไม่ไต้องอยู่ในบังคับของเกียวอ้วนมีเอียวหนีถ้าจะกล่าวกันให้ชัดผู้มีความอิสระอยู่ในดวงใจอยู่เกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นมีหูได้ฟังเอีย่ยงหนีพูดอย่างนี้มีหูก็ไม่หวาดระแวงใดครั้รุ่งเช้าก็เข้าไปทูลพระเจ้าเราเสี่ยงตามคําที่เอียงหนีว่าแลละ ถรู้อยนี้ไปอยู่กับโจอยอยจะ ด, ดีกว่าเพระเจ้ารอเสียแนแตกไม่ก็โกรกก็จะให้เอาตัวเอียวหนีเข้ามาสอบถามเอียวหนีก็รับตามซึ่งแต่ไม่ว่ากล่าวพระเจ้าราเสียนก็จะให้เอาตัวไปฆ่าเสียเดียวเวิ้มเอียวเวิ้มเป็นไปเป็นอ่อมาเลาประหลาดแห่งเสชวนแทนตําแหน่งขงเบงแล้วนี่ ก็ถือว่แต่ก่อนนั้นเอี่ยงหนีก็ได้ทำความชอบไว้เป็นอันมากมาครั้งนี้เยงหนีเจรจาผิดข้าพเจ้าจะขอชีวิตไว้เป็นแต่ให้ถอดออกจากที่คุณมมังพระเจ้าเราเสี่ยงก็ให้ทําตามถือไม่ไม่ต้องโทดถึงประหารให้ถอจากคุณมมังให้เอียงหนีเป็นไพร่ไปอยู่น้าเมือง แก่กุ้นตื่งยเป็นเมินขึ้นของเมืองฮันตงเอยียวหนีนั้นมีทั้งความแข็งและก็มีทั้งความอับประยดแก่พ่ายบ้านพรเมีทั้งหลายทั้งปวมากอยู่ในที่สุดเอยียวหนีก็เชื่อคอตัวเองถึงแต่ความตายไป